ควาเป็นยุ่งหรอนความแก่แต่ว่ามนุษย์เลยปรากฏทําไมเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยก็สร้างสร้างรูปอยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมปรากฏผมหงอนเกลียวมันหนักอะไรก็ก็ถือว่าเป็นธรรมดานะคติมันเป็นเครื่องกําหนดเหมือนกันเนี่ยนะว่าคติแตกต่างกันเนี่ยนะคืออาหารเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยหข้อแรกเนี่ยชัดเลย เทวดานี่อาหารที่เป็นทิ่มนุษย์นี่อาหารแล้วอาหารของมนุษย์ก็ไม่ได้ว่าอาหารที่ดีเสมอไปแล้ว อ, อุตุปรับไม่ได้เนี่ยนะนึกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นแต่เทวดาเนี่ย modo, เขาปรับอุณหภูมิของเขาคงตัวได้เนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะอยู่กลางแดดเขาก็ไม่ร้อนอยู่แล้วเขาปรับอุณหภูมิร่างกายเนี่ยได้คงตัวอาหารก็ดี ทีนี้จิตใจโดยมากอะเว้นแต่กลุ่มเทวดาชั้นล่างๆเทวดาชั้นสูงๆโดยมากไม่ค่อยมีโทสะน่นะจิตเขาก็ดีกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มามีเรื่องอะไรให้เครียดนะเขาคิดอะไรเขาก็มองออกเขาเข้าใจทะลุ ป, ปรุ ป, ปรงทันทีแต่ถ้าเขาจะทุกข์หน่อยก็คือตอนแรกตอนเกือบตายและเจ็ดวันใกล้จะตายเนี่ยเดือดตอนนแถวๆนั่นไงปกติแล้วมนุษย์กับเทวดาจะต่างกันมนุษย์ทายุมากยิ่งไม่ค่อยน่าดู ถ้าเทวดาถ้าอายุมากนะรัศมีจะมากขึ้นพองขึ้นบริวารมากขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยแต่มนุษย์นี่ตรงกันข้ามเสื่อมหมดเลยนี่นะก็แตกต่าง ก, กันแวะไปบ้างก็ แ, แวะมาแล้วนี่ไปไปมาๆนี่แหละ <c oughs> ขึ้นๆลงๆไอ้คึขึ้นแล้วก็ลงๆ <c oughs> นานๆขึ้นทีแล้วก็ลงลง <c oughs> มันก็ค้าสเบียงเอาไว้เยอะ ๆ, ๆไม่ติดหรอกทีนี้ต่อไปนะว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะที่เที่ยงยั่งยืนสืบต่อกันไปมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกอะสมมติว่าไม่มีแม้เราตถาคตก็กล่าววิญญาณ น, นั้นว่าไม่มีเนี่ยนะไม่มีเลยสักรูปเดียวที่เที่ยงไม่มีสักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไหนที่เที่ยงเลยอะไม่มีหรอกเนี่ยนะ โดูก่อนที่สุตทั้งหลายนี่แลคือสิ่งที่บัณฑิตในโลกบัญญัติว่าไม่มีถึงเราสถาคตก็กล่าวว่าไม่มีเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็มันไม่มีจริงๆอ่ะของที่เที่ยงะนะก็เหมือนกับคํำบอกาถามว่าอะไรในโลกนี้ที่มันแน่นอนที่สุดก็บอกว่าไอ้ความไม่แน่นอนนั่นแหละมันแน่นอนที่สุดเนี่ยนะอันนี้ลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าก็กามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันเที่ยงที่สุดเหมือนนเพราะมันเป็นสัจจะใช่ไหม คือสัจจะที่เป็นทุกข์กระสับเนี่ยคือไม่เที่ยงอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงแน่นอนว่าขันต้องไม่เที่ยงนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงว่างั้นดูการพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามีแม้เราตถาคตก็กล่าวว่ามีคือบัญญัติว่ามีะนะคืออะไรดูการพิสูจน์ทั้งหลายรูปอะ่ะ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมติว่ามีบัญญัติว่ามีแม้เราตถาคตก็กล่าวว่ารูปนั้นอะ่ะมีนะใช่ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะใครทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตในโลกเขาจะพูดอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละพระองค์ก็พูดแบบเขานั่นแหละไม่ได้ไปพูดขัดแย้งอะไรกับเขาเลยเัมืนกันเด้อ ดูควาิสูจนทั้งหลายนี่แหลคือสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมุติว่ามีซึ่งเราตถาคตกล่าวว่ามีก็คือขันธ์ห้าที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละดูกวามพิสูจนทั้งหลายในโลกในโลกโลกไปที่นี้หมายถึงสังขารและโลกนะนข้อสองถ้าข้อ2องสเกนี่ยนะอันนั้นเป็นสัตว์วัโลก ส่วนข้อสอง้อยสี่สิบนี่เป็นสังขารโลกแล้วส่วนข้อสอง้อยสี่สิเอ็ดนี่โอกาสโลกน้โอกาสโลกมีชาวโลกกล่าวว่าอชาวโลกีเป็นสัตวโลกอนนะข้อข้อสอง้อยสาสิบเก้าเป็นสัตวโลกในชาวโลกกล่าวว่าขัดย้งกับเราชาวโลกเป็นสัตวโลกอนะสัตวโลกแล้วก็สิ่งใดที่ันบิในโลกอันนี้เป็นโอกาสโลกก็บันดิต บันดิตก็คือสัตววโลกเองนั่นแหละแต่ว่าตรงๆแล้วเน้นเน้นเน้นสมมุติคือคือสัตววโลกนั่นเองพอข้อเปลี่ยนข้อเนี่ยนะสังขารโลกนะข้อใหม่นะว่าในโลกมีโลกกระทำโลกในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันห้านะโลกคืออุปาทานขันห้ามีโลกธระทำใช่ไหมในโลกตรงนี้ผมสงสัยมานานเลยขึ้นมาจะเป็นสัตววโลกก็ ถ้าบอกว่าบทว่าโลกธรรมโมได้แก่ขันธ์ธรรมปัญจกะก็ขันธ์ธรรมปัญจกะนั้นเรียกว่าโลกธรรมเพราะมีการแตกสลายเนี่ยนะแล้วก็ในข้อตอนหลังว่าตรัสสังขารโลกไว้ในคำว่าอธิพิขเวโลเกโลกธรรมเมดูกานที่สุดทั้งหลายมีโลกธรรมอยู่ในโลกอันนี้ตรัสสังขารโลกในโลกโลกคืออุปาทานขันธ์ห้านั่นแหละมีโลกธรรม แล้วก็จริงด้วยนะว่ามีอุปาทานขันห้าไหนบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกธรรมเลยใช่ไหมพระตถาคตย่อมตรัสรู้ย่อมบรรลุครั้นแล้วก็บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยกระทําให้ตืนอนดูความพิสูจนทั้งหลายโลกโลกธรรมในโลกคืออะไรพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าตรัสรู้บรรลุธรรมนั้น ครั้นแล้วบอกสแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายโลกกระทําในโลกคือรูปพระตถาคตเจ้าตรัสรู้บรรลุรูปนั้นคั้นแล้วก็ทรงบอกสแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยกระทําให้ตื้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพระตถาคตเจ้าบอกสแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ตื้นอยู่อย่างนี้ ผู้ใดไม่รู้ไม่เห็นเราตถาคตจะทำอะไรเขาผู้ซึ่งเป็นคนพาลเป็นปุตุชนเป็นคนบอดไม่มีจักสุไม่รู้ไม่เห็นอยู่นะสำนักเขาโง่จะไปว่าอะไรเขาอ่ะเนะจะไปว่าอะไรกับคนโง่นะเหมือนะกับว่าจะไปว่าอะไรกับคนเมาอ่ะก็เขาเมา อ, อยู่อ่างั้นนั้นโลกกระทำนี่คือรูปไหม ทำตัวแรกข้าว่าเป็นสังขารโลกแล้วตัวหลังก็เป็นสังขารโลกอีกดูแล้วจะไม่ค่อยไม่อคือในโลกนี้จริงๆอ่ะในโลกคืออะไรในโลกอันนี้น่าจะเป็นสัตว์โลกอย่างโลกธงชัยอย่างนี้ครับต้อมีโลกธรรมก็คือมีคือมีมีขันห้าเหมือนกันเโลกธรรมตัวนี้ตัวว่าขันโลกธรรมมีขันห้าโลกธรรม ในโลกนะในโลกนี้ในโลกนโลมีโลกในโลกจะทำเป็นไปได้คือถ้าถ้าลักษณะนี้จะขยายเป็นสังขาระโลกทั้งหมดเนี่ยนะไม่ไม่เน้นขยายเป็นสัตวโลกนี่นะเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในสิ่งเดียวกันอ่ะจะมองในแง่สัตวโลกก็ได้สังขาระโลกก็ได้หรือว่าจะมองโอกาสสโลก็ได้นะในในในที่เดียวกันเนี่ยจะพิจารณาในแง่ไหนก็ได้ พิจาจรนาอย่างไงก็ได้โดยโดยสับนะโดยสับนะคือโดยคำเนี่ยเพราะคำว่าโลกมีทั้งสาความหมายแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าประสงค์เอาสังขารโลกนั่นแหละเพราะว่าในโลกเนี่ยมีโลกกระทำมนะคำว่าโลกโลกธรรมตัวนี้เนี่ยโลกโดยสับนี่แปลว่าแตกสลาย พ่ออะไรแตกอะไรบ้างที่แตกสลายก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นของที่แตกสลายคือคือถ้าจะแปลว่าในขันนี่แหละมีสิ่งที่แตกสลายคือตัวขันห้ามันตัวแตกสลายลยนะตัวแนี่สังขารล่ก็ขัน้วนี่แหละเป็นตัวที่แตก ม, มีธรร ม, มะประจำของเข า, าคือแตกสลาย ดูการพิสูุทั้งหลายในโลก ก, โลกกระทำในโลกคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระตถาคตเจ้าตรัสรู้ทรงบรรลุวิญญาณนั้นครั้นแล้วก็ทรงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ตื่นดูการพิสูุ์ทั้งหลายเมื่อตถาคตบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยกระทําให้ตื่นอยู่อย่างนี้ผู้ใดไม่รู้ไม่เห็นเราจะไปว่าอะไรเขาผู้เป็นคนโง่เป็นปุตุชนเป็นคนบอดไม่มีจักษุไม่รู้ไม่เห็นอยู่เนี่ยนะ ตรงนี้ก็เน้นประกาศอานิจจารักษณะคือประกาศความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงนะผมก็เอามาสอนเอามาบอกมาแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยเนี่ยนะถ้าเขาไม่รู้จะไปว่าอะไรเขาอ่ะนะ ก, ก็บอกแล้วอะ่ะเขาไม่รู้อะ่ะเนี่ยนะก็ชี้แคก็ชี้สีสวยๆให้คนตาบอดดูอ่ะนะ นะบอกเสียงเพราะๆให้คนหูหนวกฟังนะเอาเกลินหร้อมๆไปให้คนเป็นหวัดดมอย่างเงี้ยนะนะเอาอาหารอร่อยๆให้กับคนที่ลิ้นตายด้านเนะี่ยก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วนะลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะพระธรรมคำสอนที่กล่าวถึงโลกคู่ปาทานขันห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นธรรมชาติที่แตกสลายเนะี่ยนะที่พระองค์สอนเนี่ยสอนมากจริงๆนะ มีอยู่เกือบทุกสูตรเลไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยเอ้าถ้าเขาไม่รู้เลยจะไปว่าอะไรเขาบอกบอกว่าพงศ์ก็คงป่วยนะเนี่ย แต่แตเป็นที่ตัวจริงๆนะต่ถ้า ถ้าคำว่าโลกกระทำเนี่ยนะโลกตัวเนี้แปลว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะคือความไม่เที่ยงในโลกคืออุปาทานขันท่านี่ยนะอุปาทานขันท่านี่ยแหละเป็นตัวที่ที่มันไม่เที่ยงอะ่ะเนี่ยนะี่ซึ่งประกอบไปด้วยรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะซึ่งโดยธรรมดาแล้วสภาพเนี่ยที่เที่ยงอ่ะไม่มีรอกเนี่ยนะก็มีแต่ความไม่เที่ยงงั้นโลกกะระทำตัวนี้หมายถึงความไม่เที่ยงส่วนโลกกะระทำอีกหนึ่งคือโลกกะระทำแปดนะนะที่เรียกว่าโลกหมุนไปตามโลกกะระทำเนี่ยนะโล ก, กธระทก็หมุนไปตามโลกถ้ายังเป็น ยังอยู่ในโลกคืออุปาทานขันห้าอยู่จริงๆแล้วโวหารอของสัตว์วะโลกอาศัยอะไรขึ้นก็อาศัยขันห้านั่นแหละมีโวหารว่าว่าสัตว์วโลกกัเนยนะคือจริงๆแล้วคําว่าสัตว์มีอยู่โดยสภาวะไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าสัตว์วโลกก็อาศัยอุปาทานขันห้านั่นแหละมาบัญญัติสมมติกันว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้ายังมีรูปอยู่ก็ยังมีอะไรรูปเนี่ยก่อให้เกิดสุขอย่างหนึ่งก่อให้เกิดทุกข์อย่างหนึ่งก็โลกกระทในแง่นี้ก็ตรงว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขทุกข์อีกอยู่ดีเนถ้ารูปนินทาเออทมถ้าฝ่ายดีก็สรรเสริญใช่กับ นินทาก็ไม่พ้นอีกนั่นแหละถ้ายังมีรูปอยู่เนะยเพราะรูปเดียวกันอีกคนหนึ่งก็แม้ชมมากเลยดีจังเลยนะอีกคนหนึ่งเนี่ยด่า ม, มากเลยนะเช่นรูปประขันคือหนังสืออย่างเงีเาา้ยอ่างหนังสืออีกคนหนึ่งบอกโอ้ดีมากอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องไม่ดีเลยนะหรืออีกคนหนึ่งก็บอกโอ้สวยมากอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้เรื่องไม่เห็นไม่ดีตรงไหนเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้ายังเกี่ยวข้องงัรูปก็ยังเป็นที่สารเสริญคือวิจารในแง่ดีนินทาก็คือวิจารในแง่ร้ายอยู่นนะก็รูปอีกนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งลาบเรียกว่าได้ปัจจัยมาอุปถัมภ์พอเสื่อมลาบก็เสื่อมปัจจัยที่มาอุปถัมภ์เป็นต้นนะ น, น, น, นะก็เช่นว่ารูปอันนี้นะลาบได้อะไรได้ผ้ามา มาปกปิดนุ่งห่มถ้าเสื่อมลาบก็เสื่อมจากผ้าทั้งหลายเป็นต้นนะก็ยังเกี่ยวข้องกับรูปอีกอยู่ดีแล้วอะไรอีกยศเนี่ยนะบางช่วงหนึ่งก็ห้อมล้อมเต็มไปหมดอีกช่วงหนึ่งก็เหงาอยู่คนเดีย ว, ยวหย ไ, ไห น, น อ, อ, อ่า โดยสับถ้าสังขารโลกก็ต้องหมายถึงคือตรงนี้พูดขันห้าอยู่ก็ต้องเป็นขันห้าแต่ที่อื่นก็โลก1โลกสองโรคามโรคสี่ที่คุ้นเคยกันนั่นแนะแต่ตรงนี้พูดถึงขัน5อยู่ก็โลกคืออุปาทานขันหถ้ายังมีขันห้าอยู่นะไม่พ้นโลกธรรมเหล่านี้เนี่ยนะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายทีนี้ผู้ที่ยัง ผู้ที่ยังหวั่นไหวในโล ก, กธรรมเช่นถ้าได้โล ก, กธรรมฝ่ายดีปกติแล้วโลภะเกิดใช่หัหยถ้าได้โล ก, กธรรมฝ่ายไม่ดีปกติก็โทสะเกิดที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะเขายึดถือในในรูปเหล่านี้อยู่เนี่ยนะพันผู้ที่ยังหวั่นไหวในโล ก, กธรรมทั้งสองฝ่ายคือผู้ที่ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ อย่างพาทหารเนี่ยผู้ไม่คล่องในอุปาทานขันห้าแม้แต่หน่อยเดียวเพรัะโลกกระทำสองฝ่ายมาเกี่ยวข้องกับตัวท่านนะท่านจะไม่หวั่นไหวเช่นสมมุติถ้าเป็นตัวรูปประคันของท่านนะอีกฝ่ายหนึ่งของหอมอีกฝ่ายหนึ่งของเหม็นเนี่ยมารูปลายนะจิตของท่านเสมอกันหมดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นๆจะมาเกี่ยวข้องกับพระองค์ยังไงอย่างสมมุติว่าใครที่มากราบพระพุทธเจ้านะ พอองษ์ก็พอองษ์จะว่าไงพอองษ์บอกว่าเขากราบในขันที่พระ อ, องค์ทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะพอองษ์ไม่ได้ไปสําคัญว่าโอ้โหเรานี่เป็นพระพุทธเจ้านะั่นมีคนมากราบมาไหวมานับถือไหมพระ อ, องค์ไม่ได้คิดแบบนั้น อ, องษ์คิดว่าเขามากราบไหวในขันห้าที่พระ อ, องค์ทําปริญญาเสร็จแล้วนะทั้งยาตะตีรณะปหนะหะณะปริญญาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าใครมานินทาพระ อ, องค์ก็รู้นะว่าอันนั้นมาจากเหตุอะไรบ้าง วิบากอะไรทําให้ได้ยินเสียงที่ไม่ดีเนี่ยนะโสตะวิญญาณเกิดขึ้นรับเสียงที่ไม่ดีผมก็บอกว่าดูก่อนโอโนุนเธออย่านี้ไปเลยเรื่องนี้มันเกิด7วันแปล ว, ว่าเธอจะถูกด่าอีกแค่7วันเท่านั้นแหละหลังจากนั้นจะไม่ถูกด่าอีกแล้วนะเหมนกันเฉพาะเรื่องนี้นะซึเรื่องเรื่องอะไรเรื่องฆ่านางสุนทรีที่เขาด่าอยู่7วันอ่ะเขาเขาจ้างคนไปนางสุนทรีเนี่ยเดรธีเขาจ้างฆ่าเขาก็ป้ายร้ายไปให้พระพุทธเจ้ากับสาวกนี่ฆ่า เขาก็ด่าพระพุทธเจ้าอยู่7ดวันนะพระ อ, องค์ก็บอกว่าเออนินทาว่าร้ายอันนี้นะเจ็ดวันเนะเพราะฉะนั้นเจ็ดวันจะหายไปพอครบวันที่เจ็ก็เงียบหมดเนละยเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่พระ อ, องค์ได้รับการสรรเสริญบูชาสักการะนะพระ อ, องค์ก็รู้ว่ามาจากปัจจัยอะไรเพราะอะไรเพราะรอบรู้ในอุปาทานขันห้าทุกแง่มุมหมดแล้วเนี่ยนะก็เลยไม่ได้ไปสะเทือนอะไรกับโลกธรรม ท, ที่มามาปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศเป็นต้นเพราะตัวตัวอุปาทานขันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยนะสมมติถ้าเขามาสัรเสริรูปก็สัรเสริรูปที่ไม่เที่ยงใช่ถ้าเขาจะมานินทารูปก็นินทานในรูปที่ไม่เที่ยงอีกนั่นแหละเนี่ยนะมันก็อย่างเงี้ยถ้ายังมีโลกธรรมอยูอ่ยังมีโลกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงแบบนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับโลกธรรม ท, ทั้ง ทั้งสองฝ่ายอยู่ดีเนี่ยนะคือตราบใดที่ยังมีรูปอยู่ก็ห น, นีไม่พ้นเหมือนกันถึงครับยังไงก็ไม่พ้นโลกธรรม ก, ก็ร่างกายนี้มีสมบัติและวิบัติเป็นของคู่กันเหมือนกันเช่นว่าอีกพักหนึ่งก็ดีดีอีกพักหนึ่งก็ไม่ดีนะเหมือนกระท้องเนี่ยเดี๋ยวพักหนึ่งก็ดีเดี๋ยวกระท้องพักก็เสียอีกแล้วไนงะก็มีสมบัติกับวิบัติเป็นของคู่กันอยู่ตลอดนั่นแหละ สุขภาพร่างกายของคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งเวทนาก็ยังมีสุขกับเวทนาที่เป็นเป็นทุกข์อยู่เลยนะเพราะเพราะรูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนปั๊บเวทนาจะเปลี่ยนไปด้วยแม้แต่รูปงามแต่ก็ถูกนินทาก็มีก็คนที่ไม่ได้เขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วคือคือมันมีเหมือนแบบโบราณนลยนะมันมี ผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยนะไอคนที่ไปไม่ได้นะก็คือไปไปขอแล้วไม่ได้ก็เลยพานด่าส่งเลยหรือว่ารูปชั่วตัวดําอย่างนี่โกล ง, งนี่นะก็มีคนสรรเสริญก็ก็ต้องมีเอาก็อย่างน้อยครอบครัวเขาก็ชอบพอกันอยู่แล้วนะอย่างน้อยลูกเขาก็ต้องชมพ่อเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้ารูปถ้ารูปงามก็กลาบมา เพราะความงามเป็นทรัพย์ใช่แต่ไม่แน่นะความเสื่อมลาบมันก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยตอนพ <c oughs> อรูปแก่เข้านี่มันมันก็ <c oughs> มันมีใครต้องการใช่นะบางคนอายุไม่ค่อยยืนก็เพราะรูปงามนี่แหละคือ <c oughs> ของในโลกนี้มันเอาเป็นแน่นอนอะไรสักอย่างไม่ค่อยได้เนี่ยมันมีโลกธรรมเดี๋ยวก็ลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญอยู่นี่แหละบางคนตายเร็วก็เพราะรูปงามบางคนเนี่ยตายเร็วก็เพราะรูปไม่งามอีกนี่นแหละนะ มันก็เ อ, เอาเอาแน่นอนไม่ได้มันแล้วแต่ปัจจัยเด้ออื่นๆเพราะว่ารูปถ้าเป็นส่วนที่เป็นกรร ม, มชรูปอ่ะนะการลคติอุปธิประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกปัจจัยอีกตั้งเยอะอ่ะแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่เที่ยงอ่ะนี่แน่นอนมากอันนี้คือความจริงในโลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆเห็นไหมว่ายังไงอะขันก็ไม่เที่ยงหรอก <c oughs> คือตัวเน้นเ้นตรงนี้เน้น ตัวโล ก, กธรรมคือความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะไม่ได้มีความคงทนแต่ก็เชื่อมไปหาโล ก, กธรรมแปดให้ให้เห็นด้วยว่าถ้ายังอยู่ในอุปาทานขันห้าก็ยังเกี่ยวข้องกับโล ก, กธรรมอีกอยู่ดีเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับโล ก, กธรรม8นะทั้งสุขทุกนินทาสรรเสริญลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศเนี่ยยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะ คือถ้าว่าเราไม่แยกออกมาเป็นเป็นสังขารโลกหรือไม่เป็นเป็นขันลูกเวทนาทิยาทั้งขันนะก็โดยมากก็พูดเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเลยใช่ไหมเกิดเป็นคนก็ต้องมีโลกตัวโลกธรรมเบียดเบียนทั้งดีและไม่ดีเกศัพท์เดียวกันเนี่ยมันแล้วแต่ว่าถ้าคนทําปริญญาเนี่ยนะถ้เกิดเป็นคนคําว่าคนก็คือขันท่าอีกนั่นแหละคือถ้าถ้าพูดแบบคนที่เขาทําปริญญาแล้วนะคนที่ไม่ได้ทําปริญญาก็เหมารวม เนี่ยนะสํานวนก็ว่าถือโดยนิมิตะนะฮุบหมดเลย<อ>ไม่มไม่ได้แยกแยกอะไรสักอย่างเมื่อแยกมาแล้วรูปพอเห็นชัดนะอพอเวทนาบ้างหรอครับท่านลองยกตัวอย่างหน่อยดิครับเวทนาที่รับโลกธรรมน่อครับเวทนาโดยปกติก็สุกกระทุกใช่ไหมอ่าอ่าสุกกระทุกหมายความว่าเวทนาเนี่ยสุกกระทุกเอาละเห็นละนะทุกคนต้องมีทั้งสุกและทุกเพราเวทนาตัวนี้ใช่มจริงจริงอ่ะตัวสุขทุกข ท, ที่ที่อยู่ในเวทนาขันเนี่ยนะ ตัวตัวเวทนาเนี่ยแยกออกมาเป็นฝ่ายหนึ่งสุขฝ่ายหนึ่งก็ทุกข์ถ้าได้รับโลกธรรมฝ่ายดีก็เอิบอิ่มใจเป็นแน่ใช่ไหมยิ้มแป้เลยเช่นมีสรรเสริญได้ลาบได้ยศเนี่ยนะหรือได้ปัจจัยอื่นๆที่เรียกว่าปัจจัยแห่งสุขทั้งหลายก็สุขเขาก็เกิดทอาพอได้ปัจจัยที่มันตรงกันข้ามเนี่ยนะ โทมนัตมันก็เกิดตลอดทุกมันก็เกิดตลอดนะมีมีฝ่ายไหนบางที่ไม่ก่อให้เกิดแม้กระทั่งสุขคเวทนาเองก็ยังเป็นปัจจัยแก่สุขในครั้งหลั ง, ลงทุกคเวทนาทางกายเนี่ยนะก็เป็นปัใจจัยให้โทมนัตทางใจเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังยังได้เกี่ยวข้องกับโลกธรรมอยู่ดีสังเสริฐนะนะใช่ทีนี้สัญญาสังขารเอาเอาสารเสร์ตก่อน ว่าเวทนาเนี่ยมันสรรเสริญ แ, และนินทา ย, ยังไงเวทนาอันนี้นะมันถือว่าการสรรเสริญเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาแล้วก็การสรรเสริญการนินทานเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาหรือว่ า, เ, าเรามีเวทนาสมมติว่าเรามีสมนัติเวทนาหรือว่า เออเรามีโทมนัสเวทนานี่ก็อาจจะมีคำชมเชยจากข้างนอกก็มีใช่ไหมครับว่าเออเนี่เขามีความสุขกายสุขอะไรดีเกิดพูดที่เวทนานะจะเวทนาไหนเกิดก็ช่างเถอะจะได้รับทั้งคำสรรเสริญและรับคำนินทาออยู่ดีเช่นนักรบที่ไปรบมานะเลือดอาบโชคมาเลยเขาชมใหญ่เลยใช่ไหมแล้วในสนามรอบเดียวกันนะคนไหนนอนมีความสุขมากถูกดาอย่างเงี้ยนะ S <S <S ก็อีกที่หนึ่งนะใครไปทุกมากไปทุกมาเขาด่าใครมีสุขเขาชมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ อ, องค์ประกอบด้านอื่นๆอีกเยอะนะเช่นบางคนนี่ถ้ามีความสุขเขาชมบางคนถ้ามีความทุกเนี่ยเขานินทาอย่างเงี้ย น, นะก็ไม่ค่อยแน่นอนหรอกเพราะว่าคำนินทาสรรเสริญเร า, าคำว่าทุกอขอไปโดยเฉพาะคำนินทาเนี่ยนะอันนี้คือใครเป็นคนนินทาด้วย นะใครเป็นคนให้คะแนนเนี่ยเพราะว่าใครที่นิยมสิ่งใดเขาก็จะชมสิ่งนั้นนะเช่นใครที่แบบถ้าใครมีความทุกข์มากบางคนจะยกแต่คนที่มีทุกข์มาชมเนี่ยนะบางคนนี่ยกแต่คนมีความสุขมาชมอย่างเงี้ยไม่ค่อยแน่นอนมันแล้วแต่ว่ากลุ่มมันจะเป็นคนกลุ่มไหนอีกครั้งคนที่คนที่ชมกับคนที่นินทานี่เป็นบุคคลกลุ่มไหน แต่ถ้าแยกให้ดูให้ดีๆจริงๆอะนะคำชมกับคำนินทามันก็คือรูปประขันเสียงอะนะเป็นรูปประขันที่เกิดจากเนี่ยสังขารขันอก็คือขันชมขันยกย่องขันด่าขันขันด่าขันทะเลาะกับขันอย่างนั้นนะแต่ว่าทุกขันก็ไม่เที่ยงในนะแต่ว่าเพราะไอ้ความเรายึดว่าขันนี้เป็นเราใช่ไหมเลยบอกด่าเราในเหมือน ด่ารูปเราเนี่ยเขาด่ากระทบนี่กระทบนี่เราว่างั้นเพราะฉะนั้นก็เลยพราะเรายึดรูปนั่นแหละตอนท้ายสูตรนะที่พูดถึงโอกาสสโลกบ้างว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญทริกก็ดีเกิดขึ้นแล้วในน้ําขึ้นพ้นน้ําตั้งอยู่แต่ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ําแม้ฉันใด ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตก็เช่นนั้นเหมือนกันแลเกิดแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกครอบงําโลกอยู่แต่โลกไม่แปดเปื้อนเราได้เห็นไหมอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าเกิดในโอกาสสโลกเนี่ยนะในในในโอกาสสโลกทั้งหมดอ่ะเป็นบุคคลพิเศษที่เกิดมาแล้วไม่ติดในโลกเลยเห็นไหมไม่ติดในโลกถามว่าทาไมจึงไม่ติดในโลกเพราะพระองค์ทําปริญญาในโลกทุกแง่มุม จึงไม่ติดในโลกไม่คล้องในโลกแม้แต่โลกเดียวนันจึงไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พระพุทธเจ้าเกิดอภิชากับโทมนัสแม้แต่อารมณ์เดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลเอกที่เกิดมาเพื่อบำเพ็ญกิจในโลกเนี่ยนะทำกิจปริญญากิจปหานากิจทำกิจคือการทำให้แจ้งแม้กระทั่งกิจคือการเจริญเนี่ยนะแล้วในขณะเดียวกันก็ยังสอนบุคคลอื่นอีกเนี่ยนะ ขณะที่ไปเที่ยวสอนคนอื่นนะอย่างเช่นสมัยพุ้จการนะพะผู้เจ้าโดนด่าด้วยอย่างนี้รงคือไปที่ไหนเนี่ยผู้ชายจะบวชเยอะผู้หญิงนี่ก็ด่าว่าโอ้ยเป็นคนมาตัดพืชทัน์ตัดอะไรก็หมดนะนี่โลกศูนแน่ว่างั้นพุทธเจ้าก็ถูกตำเหนกงนะพาผู้ชายบวชมากถ้าพระผท้เจ้าเสด็จไปที่ไหนนะตอนแรกเขาก็ออ้ดีเหลือเกินพระผู้เจ้าเสด็จมาไปต้อนรับกันยกใหญ่ ที่นี่ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่หลายๆเดือนเข้ายังไม่เสด็จไปไหนสักทีกขาว่าอีกเไม่มีที่อื่นไปหรือยังไงมั้นอยู่แต่ที่เดียวอย่างนั้นอโอป<ต>กติ <laughs> จริงนะเวลาพระองค์อยู่ที่ที่ไหนนานเนี่ยนะอที่อยู่นานไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อเอเพื่อสงเคราะห์สัตว์นั่นแหละแต่ว่าเพื่อที่ใส่บาสนี่ใส่ทุกวันไม่ได้เลิกใส่สักทีหนึ่งก็ชักเดือดร้อนละ <laughs> เพราะว่าที่อื่นไม่มีที่ไปหรือยังไงเนี่ยนะก็กลุ่มนั้นววยวายเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าก็รับโลกกระทำทุกทอย่างนั่นแหละแต่พระองค์ก็ถือว่าเออนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเหล่านี้มันก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละที่มันเป็นโลกธระทอ่ะนะคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมดาจริงจริงนะนะรู้เท่าทันโลกแต่ในขณะเดียวกันอ่ะรู้ทันโลกแบบนี้ในแง่ปริญญานะแล้วพระองค์ก็ตัดฉันทราคะในโลก แล้วพระองค์เนี่ยรู้ธรรมะที่สงบประงับจากโลกถ้าอย่างสมัยพุทธกาลถ้าพระพุทธเจ้าเทศนะเทศเทศเทศไปประกาศอริยสัจนะประชาชนเขาฟังแล้วก็สาธุพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ฟังนะตอนนั้นาทําไรพระองค์เข้าพระสมาบัติไม่มีโลกเป็นอารมณ์แล้วนะมีนิพพานเป็นอารมณ์พ้นโลกแล้วขนาดนั้นนะพอเขาอนุโมทนาจบสาบสาธุพอดีที่ต้องถ้าเทศต่อก็เทศต่อไปเลย จำนวนว่าไม่ได้มา โ, โหมานั่งยิ้มแต่อะไรไม่ใช่ใชนะไม่ได้ติดในโลกอะไรแม้แต่หน่อยเดียวพระองค์ก็บอกว่าถึงพระองค์อยู่คลุกคลีกับคนมากแต่ว่าทางใจนี้ไม่ได้คลุกคลีอะไรเลยเนี่ยนะเพรา ะ, ะได้ออกตลอดอะนะยินดีที่จะออกจำน ว, นวนว่ามีใครมั่งที่บอกว่ารู้ว่าตัวเองจะตายแล้วดีใจอนะพูดแบบจำนวนโลกโลกเลยนะพระพุทธเจ้าบอกอีกสามเดือนจะตายบอกดีใจมากเลยนะโอ้โหบอกว่า ปล่อยปลดภาระแล้วว่างั้นดีใจที่สุดเลยนะะทั่วๆไปนี่ถ้าข่าวว่าจะตานี่แย่เลยนะถ้ายิ่งแบบขึ้นสูงระดับนั้นเลยนะใครรู้ว่าตัวเองจะตายกลายแย่เลยแต่ของพระองค์บอกอดีใจมากเลยนะว่าไม่ได้ติดในโลกแม้แต่โลกเดียวเลยนะขันทโลกเพราะอะไรเพราะว่าทําไมจึงไม่ติดในโลกเพราะผู้ติดในโลกคือผู้ติดในทุกพระองค์รังเกียจในทุกพระองค์จึงไม่ติดในโลกเลยนะก็จริงนะผู้ใดติดในโลกผู้นั้นก็ก็ทุกข์มาก ติดมากทุกมากจริงๆคนที่เดือดร้อนมากกเพราะต้องการโลกนั่นแหละแต่ว่าโลกมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ต้องการอะไรนะก็ต้องการโลกนีไมันได้โลกไม่ได้จะทำให้สมปรารถนาไปทุกเรื่องใช่มก็คุยกระจตัวเองให้มันลงตัวเฮ้มันยังไม่ค่อยลงตัวนะบอกวันนี้ดีใจมากๆเลยนะวันนี้อาัารย์บอก น, นี้โดยเวทนาขันนะบอกวันนี้ตรึกกุศลให้มากๆเลยนะอากุศลมันมาแทรกนะเนี่ชักยังไงแล้วนะ บอกวันนี้ให้โสมมณัตเวทนาเกิดมากๆนะโทรมณัต ม, มันกลับเข้ามามากแนั่นก็ก็อยู่อย่างนี้แหละโลกเพราะฉะนั้นเชื่อมันมากไม่ได้พระองค์บอกว่ามันเป็นโลกธรรมคือพระองค์กล่าวไม่ขัดแย้งกับโลกหรอกเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงรอกมาแต่เน้นหนึ่งในกิจนะถ้าใช้คําว่าไม่เที่ยงคืออะไรกิจนะใช้ใช้คําว่าไม่เที่ยงไหมกิจคือปริญญาเนะเท่ากับประกาศปริญญากิจ ถ้าพูดปริญญาก็เท่ากับแสดงปหานะด้วยว่าอย่าไปได้สำคัญมั่นหมายอะไรกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยเนี่ยนะธรรมะที่พ้นจากคันเหล่านี้ธรรมะที่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สงบระงับเนี่ยนะก็บาเพ็ญเพื่อแทงตลอดธรรมะเหล่านั้นเธอ